พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีเชษฐบุรุษบุรุษผู้เจริญของโลกเป็นรับผู้องคอาจกล้าหารทรงชำนะกิเลสประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงเยิ้มยิ้มภิกษุนามว่าวรุณอุปถากของพระาศาสดาพระนามว่าอนมทัตสีห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นโล ก, กนายกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรเป็นเหตุให้พระศาสดายิ้มแย้มหนออันพระพุทธเจ้าย่อมไม่ยิ้มแย้มเพราะไม่มีเหตุอ น, นะโดยไม่มีการยิ้มโดยปราศจากเหตุก็คือบาอะไรหน้าของพระองค์ก็ดูยิ้มอยู่แล้วแต่ยิ้มแบบพิเศษแบบนี้จะต้องมีเหตุพิเศษอะไรแน่พระผู้มีพระภาคก็ทรงพระนามว่าอนุมทติีเชิดธบุรุษของโลกเป็นนระผู้องค์อาจประทับนั่งท่ามกลางพิศุทแล้วก็ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้แปดดอกใช่ไหมและชมเชยญาณของเราเราจักประกาศบุญของผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราเทวดาทั้งปวงพร้อมทั้งมนุษย์ทราบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะฟังพระสัจธรรมจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมู่วยเทพผู้มีฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัทธรรม จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าจะตุรงขเสนาคือพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าเวทล้อมท่านผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการทำพุทธบูชาก็แปลว่าภาษารีบุบรทนี้จะมีกองทัพห้อมล้อมอยู่เสมออันนี้ผลของพุทธบูชาก็จะไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คอยปก ป, กปักรักษาคอยดูแลอยู่ตลอด ดนตรีหก0มื่นกลองที่ประดับสวยงามจักบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งพุทธบูช า, านะครว่าจะไม่ว่างจากเสียงดนตรีว่างนันนะก็ได้จะได้ฟังบรรเลงเพลงเพราะว่างนันหญิงล้วนแต่สาวๆประมาณหกหมื่นประดับประดาสวยงามมีผ้าและเครื่องอาพรวิจิตสวมแก้วมณีและกุลทนมีหน้าฉลามยิ้มแย้มนะจักห้อมล้อมท่านผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ผู้นี้จักเรื่อนรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกลับจักได้เป็นพระเจ้าจักกัปติราชในแผ่นดินพันครั้งจักเป็นจอมเทวดาเสเวย ร, ราชสมบัติในเทวโลกพันครั้งจักเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันภัยบุนย์นับไม่ถ้วนคือคือชีวิตของท่านยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอสงไขยเป็นแสนกลับเพราะฉะนั้นไอชีวิตนี้ก็แค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองในบางตอนของชีวิตพระองค์ก็พยากรณ์เลยว่าจะเสเวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้น ปลูกเหตุคือบุญกุศลลงในพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาด้วยดอกไม้และการชื่นชมพระยานานะพอได้ฟังใหนี้เข้าเลยไปที่ไหนก็อยากสวดมนต์เยอะๆ น, นะนะจะได้อิติปิโสพะขวาระหังสัมมาเนี่ยนะจะได้บุญเยอะๆหน่อยไนมะ่งั้นเดี๋ยวก็ได้บุญนิดเดียวได้กราบได้ไวานะครั้นถึงที่สุดแห่งพบสุดท้ายผ่านไปแสนอสงไขเออหนึ่งอสงไขแสนกลับถึงความเป็นมนุษย์ พยากรณ์เลยว่าจากคลอดจากคันแห่งนางพรามณีชื่อว่าสารีเนี่ยนะนระผู้นี้จะปรากฏตามชื่อและโคดของมารดาเลยมีชื่อว่าสารีบุตรลูกของนางสารีเนี่ยนะที่บ้านไหนนารกะคำเนี่ยนะนากะคำที่เกิดกะที่ที่คลอดกะที่ตายของท่านที่เดียวกันเนี่ยนะไปง่ายนะอยู่แถวที่นารันทา ภาษาบุตรนั้นจักมีปัญญาคมกล้าจักเป็นผู้ไม่มีความกังวลในชาติสุดท้ายนั้นท่านจักทิ้งทรัพย์ประมาณ80โกดแล้วออกบวชจักเที่ยวสแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนี้นะสแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนะภาษาบุตรเป็นนักท่องเที่ยวสแสวงหาอาจารย์ถามว่าทำไมเพราะว่าไม่ใช่ฐานะของสาวกที่จะตรัสรู้โดย ลำพังท่านจะไม่ไปสแสวงหาข้อปฏิบัติโดยลำพังเพราะท่านรู้ว่าไม่ใช่วิสัยของท่านท่านก็เลยสแสวงหาอาจารย์ทั่วแผ่นดินสกุลโอกากะสมพบในกับอันประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้พระาศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมโดยพระโคดจักมีในโลกนะซึ่งพระองค์ก็ได้พยากรนะใช่ไมพยากรพยากรใครพยากรยักษ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะ ชาตินั้นพยากรศาสดาด้วยพยากรสาวกเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งอสงไข์แบบนั้นพระศาสดาพระนามว่าโคดมได้มีขึ้นท่านผู้นี้จักเป็นโอรสโอรสแปล ว, ว่าผู้เกิดจากอกเป็นธรรมทายาตในโพธิปัจขยธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นอันธรรมเนรมิตรแล้วเนี่ยนะคือคุณธรรมทั้งหลายอภิเศกขึ้นจักได้เป็นอัครสาวกมีนามว่าสารีบุตร เปรียบอุปมาพันปัญญาพระสารีบุตรว่าแม่น้ำคงคาชื่อว่าพาคีรถีนี้ไหลมาแต่ประเทศหิมะวันแม่น้ำคงคานั้นย่อมไหลไปจนถึงมาหาสมุทรยังห่วงน้ำใหญ่ให้เต็มฉันใดพระสารีบุตรผู้นี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ์แกล้าในพระเวท ส, สถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจากยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มน้าสาราญก็คือคือ ภาษาริบุตรเนี่ยท่านแสดงทำลังไหลดุดกระแสน้ำยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มพระนนทกล่าวว่าตั้งแต่ภาษาริบุตรปรินิพานเนี่ยทิศ ท, ทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ท่านเลยเ่างอนกันพระองค์กระถามว่าเอ้าสาริบุตรพาเอาศีลนิพานไปด้วยใช่ไหมพาเอาสมาธิพาเอาปัญญานิพานไปด้วยใช่ไหมอ้าไม่สบายใจทําไม ก็เพราะว่าภาษาริบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ขยันแสดงธรรมเป็นผู้ไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมเป็นต้นนี่แหละทําให้คิดถึงเสรั่พระองค์ก็ประกาศว่าสังขามทั้งหลายก็อย่างนี้แหละนะเอาคือภาษาริบุตรในท่านมีคุณสมบัติเช่นนั้นนะนะเปรียบอุปมาภาษาริบุตรต่อไปอีกว่าตั้งแต่ภูเขาหินมะวันจนถึงมหาสมุทรสาครในระหว่างนี้ถ้าโดยจะนับทรายนี้ก็นับไม่ท้วนถ้านับจํานวนเม็ดนะทรายกี่เม็ด ตั้งแต่สมมติว่าตั้งแต่นั่นประเทศเนปาลไหลทะเลนู่นนะ่ะกี่เม็ดดีทรายทรายนับไม่ท่วนด้วยการนับเม็ดทรายนั้นก็ไม่อาจที่จริงเม็ดทรายนั้นก็อาจนับได้โดยไม่เหลือฉันใดทรายเหล่านั้นเนี่ยยังพอนับได้ถ้าเทียบกับที่สุดแห่งปัญญาภาษารีบทนั้นจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะไรเพราะเมื่อตั้งคะแนนเอาไว้ตั้งวิธีคํานวณเอาไว้ทรายในแม่น้ําคงคาพึงสิ้นไปฉันใด แต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่มีเลยฉันนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เกิดจากอะไรชมเชยพยานของพระพุทธเจ้าเคลื่อนในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไม่ท่วนฉันใดนับเคลื่อนทะเล น, นับหมดไหมระลอกแล้วระลอกเราระลอกแล้วระลอกเราที่สุดแห่งปัญญาพระสารีบุตรจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกัน ปัญญาเนี่ยมากมายดุดคลื่นในหมหาสมุทรมันเวลาใครผ่านทะเลเฉียวเฉียวทะเลไปเห็นคลื่อนบอกปัญญาภาษาริบุด์มีมากกว่าเคลื่อนอีกถ้าเปรียบเกันอนะคือคลื่อนเนี่ยมันจะขึ้นแล้วขึ้นเล่าอาวัชนะที่เป็นปัญญาเนี่ยจะขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่าเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความคิดที่เข้าใจอะไรใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดประดุดเคลื่อนในทะเลอันนี้เป็นคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสี ซึ่งก็จริงอะนะเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ชื่นชมปัญญามากสรนเสริญปัญญาเจอพระพุทธเจ้าสันเสริญพระพุทธเจ้าในเรื่องของปัญญาของพระองค์มันบุญที่เพาะลงที่ปัญญาชาติสุดท้ายท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีปัญญาเพาะปลูกต้นอะโมหะจนเจริญเติบโตเบ่งบานเต็มที่ก็เลยเป็นผู้มีปัญญามากเพราะมาก็เลยเอาพระสารีบุตรมาอ่านเผื่อจะได้ฉลาดทั้ง พระสารีบุตรผู้ยังพระสัมพุทธเจ้าผู้สักยะโคโดมสูงสุดให้โปรดปรานจักได้เป็นอัคารสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญาจักอย่างพระธรรมจักรที่พระผู้มีพระภาคสักยะบุตรให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบจักยังเมล็ดฝนคือธรรมะให้ตกลงมันทิศใดที่พระสารีบุตรอยู่ทิศนั้นก็เสมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะเป็นผู้สามารถ ประกาศรรมาจากให้เป็นไปโดยอนุวัตอนุวัตแปลว่าคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการโต้แยง้งแสดงตามแนวเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เน้นพิเศษคืออริยสัจสิ่งนั้นพระอัครสาวกก็ตรัสรู้ด้วยสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความพ้นทุกพระสาวกก็สอนด้วย นั้นภาษารีบทก็สามารถอย่างมเมล็ดฝนคืออมะตะธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคโดมผู้ศักยบุตรสูงสุดทราบข้อนั้นทั้งมวลแล้วจักประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งเอาไว้ในตำแหน่งอัครสาวกนะนะสาวกผู้เลิศหรือว่ายอดของสาวกสาวกองค์ที่หนึ่งรองเฉพาะแต่พระพุทธเจ้า โอกุศลกรรมเราได้ทําไว้แล้วเนี่ยนะผู้มีบุญเนี่ยนะอันนี้พูดถึงตอนท้ายที่พระสารีบุตรเล่าก่อนจะปรินิพานเนี่ยนะที่บอกว่าให้พระสารีบุตรแสดงทำก่อนปรินิพานเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระสารีบุตรแสดงก่อนปรินิพานบอกว่ากุศลกรรมเราได้ทําแล้วเราได้ทําการบูชาพระาศาสดาพระนามว่าอโนมาทศีด้วยดอกไม้แล้วได้ถึงที่สุดในที่ทุกแห่ง จริงก็คิดดูนะโอ้ยทำบุญไว้นานนะกว่าบุญเหล่านั้นจะให้ผลนะทำจนลืมอ่ะนะบุญจึงตามมาให้ผลกรรมที่เราได้ทำไว้แล้วประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลแก่เราณนะที่นี้บัดนี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเผาราคะด้วยอาาด้วยอรหัตตมรรคเผาโทสะด้วยอาาคามีมรรคเผาโมหะด้วยอรหัตตมรรคแล้วเปรียบเหมือนกาลังลูกศอนอันพลแล้วด้วยดี บดนี้เรานี้สแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือสแสวงหาบทที่ดับปัจจัยปรุงแต่งสแสวงหาพระนิพพานที่ดับสังคตะธรรมเป็นนิพพานที่ดับสนิทเป็นธรรมที่ไม่หวนไหวค้นหาจากลัทธิทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปในภพอุปมาเหมือนว่าคนเป็นไข้พึงสแสวงหาโอสถจำต้องสังสมทรัพย์ เอาไว้ทุกอย่างเพื่อพ้นจากความป่วยไข้ฉันใดเราก็ฉันนั้นแสวงหาบทเพื่อดับปัจจัยตรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นที่ดับสนิทเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหวได้บวชเป็นฤาษีห้าร้ครั้งไม่ขั้นเลยไม่มีอะไรขั้นเลยก่อนหน้านี้ภาษารี่บวชบวชติดติดติดกันมา500ชาตินะห้ารชาติแล้วโดยมากไปเกิดเป็นพรหมส่วนใหญ่500ชาติน่ะติติดติกันถอยหลังแม้ชาติเป็นพระเวสสันดรนั่นคืออะไร อจจุตตะรือศีเนี่ยนะอจจุตตะรือศีเนี่ยที่อยู่นั่นแนหะทางประตูที่ชุชกเนี่ยนะชุชกเข้าไปไปเห็นฤือีก่อนใช่ไหมแต่รือศีนี่ก็นับถือ พ, พระภาษาพระเวสสันดรมากเลยนะถึงเป็นรือศีผู้ได้ฌานแต่ก็นับถือพระเวสสันดรอันนั้นก็เป็นรือศีอยู่500ครั้งเราทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยหาบคอห น, นุ่งหม่มหนังเสือถึงที่สุดอภิญญาแล้วก็ไปสู่พรหมโลก ไอ้ความที่ท่านเป็นนักบวชติดกันมาห้ารชาติและลึกชาติได้ทั้งหมดพูดได้เต็มปากเลยว่าความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่มีเว้นศาสนาของพระชินเจ้าท่านศึกษามาหมดแล้วสัตว์ผู้มีะนะสัตว์ผู้มีปัญญาทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ได้ในศาสนาของพระชินเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่นำผู้นี้ผู้ใไขประโยชน์ไปในลัทธิภายนอกขออภัยเอ่า ความที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เฉพาะในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่นําตัวเราผู้สแสวงหาประโยชน์คืออรหัตผลไปในลทัทธิภายนอกเพราะต้องการอย่างเดียวคือลทัทธิของพระพุทธเจ้าต้องการทิฏฐิของพระพุทธเจ้าทิฏฐิที่รู้เห็นอริยสัจนั่นเองแต่ว่าเราก็สแสวงหาบทอันดับปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นที่ดับปัจจัยเนี่ยนะ เที่ยวไปสู่รัทธิอันผิดเที่ยวไปสู่ศึกษาในรัที่มิจฉาทิฐิเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไม้แก่นก็พึงตัดแต่ต้นกล้วยแล้วก็พาออกก็ไม่ได้แก่นแม้ในต้นกล้วยนั้นเพราะมันว่างจากแก่นชั้นใดคนในโลกผู้เป็นเดรัจฉีเป็นอันมากมีมิจฉาทิฐิรัทธิแตกต่างกันก็ฉันนั้นเขาเหล่านั้นเป็นคนว่างเปล่าจากอสังขตะบด อสังคตะแปลว่าทำที่ดับสังคตะบทที่ดับสังคตะ ธ, ธ ร, รมดับชาติชรามรณะละทัทธิเหล่านั้นก็ว่างเปล่าจากอสังคตะบทเหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นฉนั้นครั้นเมื่อพบที่สุดพบสุดท้ายชาติเป็นภาษาริบุทรแล้วเราได้เป็นเผ่าพัน์แห่งพรามละทิ้งพกสมบัติเป็นอันมากแล้วออกบวชเป็นบรรพชีต ข้าพระองค์อยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสันชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบตรเพศข้าแต่พระมหาวีระอันนี้เล่าให้พระองค์ฟังตอนก่อนจะลาปรินิพานเนว่าข้าแต่พระมหาวีระพราหมณ์พราหมณ์คือพระอาหารหันต์ชื่อว่าอัศชิสาวกของพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบินธบาตอยู่ในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีผู้มีจิต ตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบประงับเป็นมหานาคเป็นผู้ที่ควรรับการบูชาเนี่ยนะแย้มบานเหมือนดอกประทุมครันข้าพระองค์เห็นท่านผู้มีอินทรีย์ฝึกดีแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์องค์อาจประเสริฐมีความเพียรจึงเกิดความคิดว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระอาหารหันต์ท่านผู้นี้มีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสมีรูปงามสํารวมดีจักเป็นผู้ฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึก อันสูงสุดคืออริยมรรคจากเป็นผู้เห็นอมะตะบทคือพระนิพพานจะต้องฝึกตัวเองด้วยอริยมรรคจนสำเร็จแน่นอนจะต้องเห็นนิพพานแน่ถ้าฉะนั้นนะเราพึงถามท่านผู้มีใจยินดีถึงประโยชน์อันสูงสุดหากเราถามท่านแล้วท่านจักตอบเราจะสอบถามท่านอีกข้าพระองค์ก็ได้ตามไปข้างหลังของท่านซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทรอคอยโอกาสอยู่เพื่อจะสอบถามอมะตะบท ข้าพระองค์เข้าไปหาท่านซึ่งพักอยู่ในระหว่างถนนแล้วก็สอบถามว่าท่านผู้เนรทุกข์ผู้มีความเพียรท่านมีโคตรอย่างไรท่านเป็นสิทธิ์ของไรพระอัสชิอันข้าพระองค์ถามแล้วไม่คลั้นคร้ามดังพระยาไกรสอนพร ะ, ะอัสชิพยากรว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติแล้วในโลกข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศมาก ศาสนานะคือภาษารีบทได้ถามพระ พ, พร ะ, พระสัชชีว่าท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามผู้มียศมากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าของท่านเป็นเช่นไรขอท่านได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระสัศชินั้นอันข้าพระองค์ถามแล้วท่านก็กล่าวถึงบทอันลึกซึง้งเป็นบทที่ละเอียดทุกอย่างเป็นเครื่องฆ่าลูกอนคือตันห์ภาษารีบดก็บอก พระอัศจิก็กล่าวถึงบทเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งมวลว่าเยธรรมมาหฮตุปปภาวาแปลว่า ร, รมเหล่าใดคือสังขารขันสังขารทั้งหลายขันห้าทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุคือสมุทัยเป็นแดนเกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดเหตุคือสมุทยัยแห่งธรรมคืออุปาทานขันห้าเหล่านั้นและตรัดความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระหมหาสมณะเจ้ามีปกติ ปร an peso, ับอย่างนี้คําว่าธรรมเหล่าใดหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้รูปนี้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความเกิดก็คือนี้เหตุเกิดของรูปนี้เหตุเกิดของเวทนานี้เหตุเกิดของสัญญานี้เหตุเกิดของสังขารนี้เหตุเกิดของวิญญาณแล้วก็นี้ความดับแห่งรูปนี้ความดับแห่งเวทนานี้ความดับแห่งสัญญานี้ความดับแห่งสังขารนี้ความดับแห่งวิญญาณ พระมหาสมมนาเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้เมื่อท่านพระอัศชิกแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์ก็ได้บรรลุผลที่หนึ่งเป็นผู้ปราศจากทุลีปราศจากมนทินนะเพราะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ได้ฟังคําของท่านมุนีได้เห็นธรรมอันสูงสุดจึงอย่างลงสู่พระสัจธรรมได้กล่าวคาถานี้ว่าหลังจากที่เป็น พระโสดาบันเนี่ยนะโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเห็นอริยสัจ ท, ท่านก็บอกว่าธรรมะคือพระนิพพานนี่แหละเป็นบทอันมีสภาพอันเห็นประจับเป็นบทที่ไม่มีความเศร้าโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นบทที่ไม่มีความเศร้าโศกบทนี่แหละล่วงเลยไปแล้วหลายหมื่นกับก็คือท่านเริ่มสแสวงหาพระนิพพานตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เป็นอสงไข่อ่ะตั้งแต่นั่นนะพระพุทธเจ้าพนามว่า อนโนมาทัศีเป็นต้นมาข้าพระองค์สแสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในลัทธิที่ผิดประโยชน์นั้นคือมรรคผลอันนั้นเนี่ยบัดนี้ข้าพระองค์บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่ใช่การเวลาที่เราจับประมาทข้าพระองค์อันท่านพระอัศชิให้ยินดีแล้วก็บรรลุบทันไม่หวั่นไหวคือพระนิพพานสแสวงหาสหายอยู่ก็ไปหาใครพระโมคคัลลานะเนี่ยนะ